วันนี้เครชั่วหน่อยนะโยมไปไหว้เจ้ากันน้อยน้อยรีบเริดกันบ้านกัน okay. ตอนเช้านี้มีโมหะอยู่นิดนึงอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรน้อยลงแล้วมันจะเบาขึ้นเหมือนเราเติมแต่งอะไรเพิ่มเข้าไปน้อยลงอะคะ่ะด้วยการที่เรารู้ว่าเราทำอตอนนี้แต่งนะดูออกไหมดูออกเพราะว่ามีน้ําหนัก อยู่อะคะอ่ะแก้วอีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานบ่ายฟังเทศหลวงพ่อแล้วก็พยายามเปลี่ยนมาดูกายแทนที่จะพยายามดูจิตก็รู้สึกว่ามันเบาที่หนักๆในอกเมื่อวานนี้ก็หายไปแล้วค่ะแล้วแต่ถนัดนะดูอะไรก็ได้ดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้ให้มันอยู่ในกายในจิตนี่แหละเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นตัวเราคือกายกับจิต บื้องตนจะดูกายก่อนก็ได้จะดูจิตก่อนก็ได้แต่พอชํานาญแล้วมันดูทั้งกายทั้งจิตสลับกันไปเองเราเลือกไม่ได้ช่วงที่หลับเนี่ยจเจริญสติเกิดขึ้นมาได้บ้างเป็นไปได้ไหมคะไดนะ้ถ้าฝึกไปจนชนานาญนะถึงหลับอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวก็รู้สึกบางครั้งรู้ตัวว่าหลับอยู่แต่ก็จิตรวมได้ด้วยเหมือนกันได้ได้ทำนะได้ กายมันหลับจิตมันไม่ได้หลับด้วยร่างกายมันนอนหลายชั่วโมงแต่จิตมันนอนเดียเด๋ยวเดียวไปโยมฝึกตอนตื่นนะแลตอนหลับมันเป็นเองเวลาทดสอบความปลอดภัยในอนาคตของเรานะั้นก็คือตอนหลับนี่แหละเวลาจะตายจริงๆอะ่ะมันจะมีนินมิตขึ้นมาท่านนิมิตไม่ดีสมมุติ อย่างเอสมมุติเห็นต้นนิ้วกะทะทองแดงนสมมุติสติมันจะอัตโนมัติเลยนะมันตกใจขึ้นมานมันย้อนมาดูปับ๊บขาดสะบั้นเลยไม่ต้องตกนรกอเงี้ยแต่ระวังนะพวกที่จิตใจผูกพันกับหมากับแมวอะไรเงี้ยพอจะตายเกิดนิมิตเห็นหมามาโอ้ดีใจโดดกอดนะไม่หลุดเท่าทีอยู่ในท้องหมาอ่ะโยม รู้สึกเมื่อเช้านี้มีโมหะมากเละแล้วไงเกลียดไหมก็ไม่ค่อยมีอะไรค่ะรู้เล่นๆนะรู้ด้วยความเป็นกลางแล้วไม่มีปัญหาสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้เราไม่ปฏิเสธหรอกทุกๆสภาวะเกิดแล้วก็สอนใจรักเท่าๆกันคือเกิดแล้วดับเหมือนกันดีฝึกไปฝึ ก, กินเป็นกลางนะฝึกจนใจมันเข้าไปสู่ความเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่าง แม่ใจมันเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพ้นจากความปรุงแต่งพอมันไม่ปรุงแต่งแนละ้วใจมันเข้าถึงสันติสุขไม่มีงานทำแล้วสบายเรียกว่างงานภาษ า, ารพระไตรปิฎกบอกจบกิจจบกิจอ่ะโยมว่าไปมันรู้สึกว่าเมื่อเช้าตอนเดินจงกรมอะนะคะมันรู้สึกเหมือนมีอะไรหล่นลงไปในหน้าอกแบบแบบแบ บ, แ บ, บอะคะ่ะอะไรอะไรในหน้าอกนะมันเหมือนรู้สึกแวบ บ, แ บ, บะคะ่ะก็ถูกแล้วละ ตอนนี้ก็เหมือนตื่นเต้น <c oughs> แต่ว่าเหมือนอะไรบางอย่างมันอยู่ห่างจากความตื่นเต้นลงหน่อยใช่จิตมันอยู่ต่างหากความตื่นเต้นก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกกันมีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าที่หลวงพ่อบอกเมื่อวานว่าไม่ต้องทุกข์นะคะคือจิตหลิวเนี่ยเหมือนปาฏิมาเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้วัด น, นะคะแล้วมันเป็นสัญญาที่ห้ามไม่ได้ะคะ่ะก็ไม่ห้ามมัน เวลามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดูรู้สึกว่าเกิดขึ้นแล้วดูลงไปเลยจิตมันปรามาตรเองเราไม่ได้ปรามาตมันอยู่ต่างหาใช่ไหมคะจิตมันอยู่ต่างหากนะเราไม่บาปหรอกแล้วหลังจากนั้นมันรู้สึกมีเหตุให้ต้องไปปรุงแต่งเวลาเผอค่ะถึงไงถ้าเผลอก็ต้องปรุงแต่งเรืงนั้นแหละมันเผลอทั้งวันอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเร า, นะาเผลอแว<บ>ะใครก็ปรุงทีนึงปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างเห็นไหมเริ่มต้นจากเผลอนะ แตเพลิดและปรุงดีก็ได้ไม่ใช่ต้องปรุงชั่วตลอดหรอกอีกนิดนึงนะคะแต่ก่อนรู้สึกว่าเวลาหลงไปอะคะ่ะจะต้องกลับมาที่กายอะคะ่ะจริงๆเมื่อเช้าเพิ่งรู้สึกว่ามันมาแวบแบแวบแวบแล้แวแต่ให้มาลงตรงมันลงเข้ามันเองอย่าไปดึงมาถ้าเจตนาจะให้เข้ามาที่กลางอกอะไรงนี้ใช้ไม่ได้เจตนามากไปอ้าวจู ก็มีประคองอยู่ค่ะแล้วก็กดๆแล้วก็ไม่ชอบประคองแล้วก็อยากให้มันหายค่ ะ, ะแล้วก็มีเผลอเข้าไปทําด้วยแล้วก็แกล้งทําเป็นเฉยๆอะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากเลยดีที่เห็นค่ะอ๋ะออยากให้หลวงพ่อช่วยเมตตาสอนผมแบบท่านสอนพระอะครับสอนแบบสอนแบบ ไม่ต้องเกรงใจอ๋อหลวงพ่อไม่เกรงใจหรอกเ้าบอกความเกรงใจเป็นสมบัติผู้ดีหลวงพ่อเนี่ยผู้ร้ายนะครับถ้าคนไหนแข็งแรงพอแล้วไม่มีถนอมแล้วคนไหนยินเสียอ่อนแล้วก็ค่อยๆเอากระดาษทรายละเอียดค่อยๆแต่งๆถ้าใจแข็งก็ต้องเอาขวานถากแล้วโอเท้าเหยียบอะไรก็ได้ครับของอาจรารย์นามนะอย่าฟุ้งซ่านในธรรมะ ม, มากไป มันดิ้นรนมากไปนะใจให้มันถึงถึงไวกล้าหารที่จะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้แบบไม่หวังผลอะไรครับเราเล่าร้อนไปนะเร่าร้อนอยากได้บรรลุผลเร็วๆอะไรนี้ยิ่งช้านะพระโสดาบันพระสกทาคาพระนาคานะกับพุทุชนนี้กลับข้างกันความยากลําบากของพุทธชนนี่อยู่ตรงที่ไม่รู้ทางเดินยากที่ไม่รู้ทางนะ แต่ความยากของพระโสดาส ก, กิทาคาพระนาคานะยากตรงที่รู้ทางเดินพรอจิตมันดําเนินเข้าไปจะถึงจุดนี้นะมันจะรู้ล่วงหน้าแล้วเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวจะมาตรงนี้เดี๋ยวจะตรงนี้อ้าแล้วก็จะบรรลุอริยมรรคตรงนี้ใจมันจะฮึกเขิม ข, ขึ้นมาผิดธรรมชาติเลยลุ้นอนะลุ้นเลยสลายตัวไปอีกต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งอีกนับหนึ่งไปเรื่อยๆเฮ้ยมาตรงนี้อีกแล้วดีใจอีกแล้ว มันก็จะถอยออกไปอีกเสื่อมซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเชิญหมดเลี้ยงหมดแรงลนะหมดปัญญาตอนที่หมดปัญญามันก็จะผ่านไปแบบไม่ทันตั้งหลักความยากของปุถุชนอยู่ที่ไม่รู้ทางความยากของพระเสขาบุคคลอยู่ที่รู้ทางเมื่อยังรู้ทางก็พยายามจะเดินทางเมื่อไม่รู้ทางก็ดิ้นรนหาทาง อามรู้สึกไหมในใจของอามเนะีคิดแต่ว่าทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีมันจะมีใจที่ดิ้นดิ้นหาทางการที่เราดิ้นหาทางอยู่นั้นเลาทำให้เราไม่เจอทางให้เราสบายใจนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเราไม่สนใจไม่สนใจผลมันนะแค่มีความสุขที่ได้รู้กายลงปัจจุบันมีความสุขที่รู้จิตลงปัจจุบัน ต้องการแค่นี้พอละถ้าเราลิมิตความต้องการของตัวเองไว้แค่นี้นะเราจะเข้าถึงผลอย่างรวดเร็วเลยแต่ยิ่งดินรนมากก็ยิ่งช้าจริงๆทางมันอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละเราวิ่งพล่านๆไปที่อื่นทางนั้นอยู่ตรงที่มีปัจจุบันรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันต่อหน้าต่อตาเรานี่เองแต่เรากลับไปคิดว่าทำยังไงจะดีทํายังไงจะบรรลุเร็วๆเราจะไปคิดอย่างนี้เราจะไปดิ้น ยิ่งดินยิ่งไม่ได้นะถ้าปล่อยเราได้ทุกวันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงนี้ดีขึ้นละสบายสบายเริ่มสบายขึ้นแล้วนะรู้สึกไหมใจก็ค่อยปลอดโปร่งขึ้นปลอดโปร่งขึ้นแต่ว่ามันสบายแบบว่าคือคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่ามันเออๆอ อ, ออกไปแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือผมสิ่งที่ผมรู้ชัดเจนที่สุดคือเวลาเราสงสัยว่าไม่แน่ใจอะไรเนี่ยตรงเนี้ยจะรู้เลยว่าเรารู้ถูกแน่แต่ว่า คือความสงสัยมันจะอยู่ระหว่างเราเอ่อออกไปหรือว่าเรามีความสุขเพราะช่วงที่อาทิตย์ที่ผ่านมานี้แบบว่าหายใจเข้าก็มีปีติหายใจออกก็มีปีติรู้สึกสุขแต่เราก็หลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเราสุขอยู่แล้วก็ไม่ติดมันเออไม่ติดนะถ้าไปมีความสุขแล้วยินดีพอใจถึงจะติดนะมันก็ยินดีพอใจด้วยครับรู้รู้ว่ายินดีพอใจแล้วใช้ไดแ้แล้วก็เลยไม่รู้ว่าที่เอ่อไว้มันหลุดมาเรื อ, อย ท, ที่ทําตอนนี้ใช้ได้ละ รู้สึกไหมใจมีความสงบใจมีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความสุขไม่แข็งกระด้างอคิครับ ข, ข, ขอบพระคุณมากครับดีขึ้นเยอะแล้วนะใจเข้าล่องเข้ารอยแล้วกล่กกาวธรรสถานหลวงพ่อเจ้าค่ะ เ, เมื่อวันก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งยมนั่งฟังซีดีของหลวงพ่ออยู่แล้วก็จิตก็ไปเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เรา แล้วก็เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราแล้วก็ ม, มีความตกใจจนใจสัน่นแล้วคราวนี้สักระยะหนึ่งมันก็หายไป อ, อน่เดินได้ครึ่งทางแล้วหลังจากนั้นก็เฉยๆรู้สึกว่าดิ้นรนน้อยลงจนมีความแปลกใจว่าถูกหรือผิดถูกสิว่าพอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นนะเวลาเรา เห็นกายเห็นใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่อเรียกว่าเห็นรูปนามมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงถึงจุดหนึ่งมันจะเบื่อบางคนมันก็กลัวนะบางคนตก อ, อกตกใจบางคนรู้สึกกลัวบางคนรู้สึกเวิ้งว้า ง, างเป็นอาการของจิตใจซึ่งไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีพอเห็นว่าตัวเราไม่มีเริ่มทุรนทุรายทนไม่ได้ให้รู้ทันความทุรนทุรายนั้นะลงไปอีกมันก็เป็นสภาวะธรรมเช่นเดียวกับสภาวะอื่นนั่นแหละ พอเรารู้ทันความทุรนทุรายนะสลายตัวไปเราก็รู้อย่างเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นในตำราเขาจะเรียกกลุ่มตรงนี้นะกลุ่มซึ่งใจมันไม่ยอมรับความไม่มีตัวเรามันจะมีตั้งแต่มีอะไรนะอาธินาวายานพยาตูปัฏฐานญยานนิพพายา น, น, ายานกลุ่มนี้สามอย่างนี้คัมภีร์ชั้นหลังเอามาเรียงกันต้องทุกคนต้องเจอสามอย่าง ในพระพิธรรมปิดกไม่ได้สอนอย่างนั้นพิธรรมปิดกบอกสามยานี้เหมือนกันโดยอัฏฐะต่างกันโดยพยัญชนะต่างกันด้วยภาษาเท่านั้นนี่แต่เหมือนกันด้วยเนื้อหาเนื้อหาของมันที่เหมือนกันก็คือใจมันทนไม่ได้ที่ตัวเราไม่มีวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีนัได้พระโสดาบันนี่ใจมันทนไม่ได้ขึ้นมาให้รู้ทันมันไปเมันก็เข้าสู่ความเป็นกลางรู้ต่อไปอีกเรื่อยๆ ในสุดใจเป็นกลางกับทุกๆสภาวะนะเดินอยู่ใน่งเนี้ยเพราะงั้นบางคนภาวนาพอเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราแล้วก็เบื่อมากเลยบางคนเบื่อเบื่อสุกเบื่อทุกข์เบื่อดีเบื่อชั่วบางคนรู้สึกกลัวบางคนรู้สึกโง่งมงหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้หลวงพ่อเลยบอกมาได้ครึ่งทางแล้วได้ครึ่งทางเดินต่อไปวันหนึ่งก็จะเข้าถึงธรรมะคือใจนั่นแหละยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีตอนนี้ใจยอมรับไม่ได้ ใจเริ่มเห็นความจริงแล้วนะว่าตัวเราไม่มีแต่ใจยอมรับไม่ได้เห็นแล้วแต่ยอมรับไม่ได้ถ้าใจยอมรับความจริงได้ก็เป็นพระโสดาบันดูไปเรื่อยจนใจยอมรับอ่ะหมอพีหลวงพ่อจ้ะคะคือวันพฤหัส ท, ที่ผ่านมาค่ะคือหนูกำลังจะเอาลูกเข้านอ น, นะคะแล้วก็ก็พอปิดไฟนอนก็แบบอยากถามธรรมะพี่ตุล น, นะคะก็โทรไปถามพี่ตุลแล้วก็ อยู่3มข้อนะคะข้อแรกคือถามในเรื่องของคือทำไมรู้ชัดกับรู้ไม่ชัดไงพี่ตุลก็บอกว่าโมหะน้อยก็คือรู้ชัดโมหะมากก็รู้ไม่ชัดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ถามในเรื่องของอข้อแรกลมหายใจอะคะ่ะมันบางทีมันมีราคาแทรกเยอะยนะคะพี่ตุลก็บอกว่าให้ดูที่แบบยินดีไปนะคะดูฐานราคานี่ยแหละแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> พออันุทานหนูบอกว่าคือมันไปเห็นตัวอยากตัวเล็กๆนะคะแล้วมันก็เห็น แบบเยอะมากอะไรเงี้ยพี่ตุลก็บอกว่าไม่ต้องไปเพ่งมันอะไรเงี้ยถ้าเพ่ ง, ม, งมันนะคือมันเหมือนเป็นหนูไปเพ่งมันให้แบบ <Yeah. S 2> เป็นตัวเราทําอะไรเงี้ยพอพี่ตุลพูดอย่างนี้ปั๊บหนูก็เห็นจิตที่มันเห็นเป็นตัวเราถอยออกไปนะ hmm. พอเห็นปั๊บมันก็ดับลงฮ ะ, ะ <Yeah. S 2> พอดับลงปั๊บ พอก็บอกว่าพี่ตุนแล้วหนูต้องทำอะไรต่อไหมคะอะไรเงี้ยพี่ตุลก็บอกไม่ต้องทําถ้าทําก็เป็นการสร้างภพอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนเสียงของหลวงพ่อที่เคยอยู่ในซีดีมันก็ซ้ํำเข้ามาอีกหนุมันก็เห็นความคิดว่าอ๋อหลวงพ่อก็สั่งพี่ตุนก็พูดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็บอกว่าโอเคค่ะหนูจะไม่ทําแล้วต่อไปนี้จะรู้อย่างเดียวอะไรเงี้ยพอหลังจากวางโทรศัพท์เสร็จอะค่ะหนูก็นั่งลงเนี่ยแล้วก็พิงผนังอะค่ะแล้วก็ มันก็ทบทวนล่ะ ว, ว่าอ๋อที่ผ่านมามันตั้งใจทํา hmm. แล้วเสร็จแล้วก็เห็นบอกว่าอ๋อมันไม่ใช่ตัวเราเนาะอะไรเงี้ยพอขณะนั้นจิตก็เห็นความอะไรพี่ตุลขึ้นมาเฉยเลยค่ะพอเห็นอะไรปับ๊บจิตมันก็มาที่ความคิดพอมาที่ความคิดปับ๊บก็คือรู้ทันว่าอ๋อเมื่อกี้มันบอกว่าเฮ้ยอะไรทําไมอะไรเงี้ยก็เพิ่งเพิ่งวาโนโทรศัพท์หนีอะไรเงี้ยแล้ว มันก็กลับมาที่คำเหมือนคำพูดบอกว่ารู้เนี่ยมันยังมีประคองยังมีระวังอยู่อะไรเงี้ยมันก็ย้อนเข้ามาในหัวปับ๊บหนูก็พิงนเข้าไปอีกแล้วก็ก็เหมือนเหมือนหลับตาอยู่อะค่ะจิตก็อยู่เหมือนพิจารณาอาการประคองแล้วก็อาการระวังแล้วขณะหนึ่งจิตก็มันเหมือนในขณะนั้นมันก็วางลงไปอะค่ะมันมันมีความรู้สึกว่าไม่มีกายไม่มีที่ตั้งของกายไม่มีจิตนะคะ เป็นสภาวะที่ไม่เคยเจอแล้วก็ว่างแต่ก็คือรู้ว่าคืออะไรนะแต่ก็แล้วหลังจากนั้นก็แบบมันเหมือนตกไปอยู่ในะสภาวะไม่มีกายไม่มีจิตเดียวชั่วขณะค่ะแล้วรู้สึกไหมก็ <c oughs> ยังมีความรู้สึกเหลือไหมหรือว่าทั้งกายทั้งจิตดับไปแล้วไม่รู้สึกแล้วเพราะตอนนั้นมันไม่มีความรู้สึกถึงกันคือไม่มีกายอยู่ไม่มีจิตอยู่แล้วก็คือว่างอะไรเงี้ยแล้ว หลังจากนั้นมันก็แบบขณะหนึ่งนะคะแล้วก็จิตมันก็บอกว่าเออนี่คือแบบความว่างอะไรคะพอออกมาปั๊บหลังจากนั้นก็แบบเอออ๋ออาการประคองนั่นคือประคองไปเพื่อให้ตัวเรารู้นั่นเองอะไรเงี้ยระวังก็คือระวังตัวเองแบบเหมือนกลัวตัวเองจะไม่ได้ดูอะไรเงี้ยมันก็คือเข้าใจว่าอ๋อประคองกับระวังคือกิเลสนี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเข้าใจพอเข้าใจปั๊บหนูก็แบบโอเคเข้าใจละเข้าใจละเนี่ยแล้วก็มันก็หลับไปนะคะพอหลับไปปั๊บ ก็ตื่นเช้ามารู้สึกแบบทําไมตัวเองก ล, งกลวลๆอะไรอ่างเงยนะเพราะว่าปกติก็แบบเหมือนปฏิบัติอยู่แล้วตอนเช้ามันก็รู้สึกตัวเองกลวงแล้วก็รู้สึกเหมือนทั้งวันก็ลมหายใจทําไมมันแห้งไปยเงี้ยพอมันแห้งแบบแห้งปับ๊บก็รู้ว่าอ๋อแห้งก็ดูจิตไปเรื่อยๆเงี้ยพอมันสงสัยก็กลับมาที่สงสัยพอตกตอนเย็นนะคะก็นั่งสมาธิก็รู้สึกว่าพอนั่งสมาธิทําไมสงบผิดปกติอะไรเงี้ยแล้วสร็จแล้วก็คืออ๋อโอเคสงบก็สงบแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ย พอมีความสุขปั๊บมันเหมือนใจมันมันสว่างแล้วก็จิตใจมันยิ้มเลิงล่ามีความสุขอะไรเงี้ยะแล้วพอผ่านไปปั๊บวันหนึ่งอีกวันหนึ่งกับหนกก็ดูว่ามันจะเสื่อมไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ยังไม่เสื่อมพอไม่เสื่อมปั๊บก็โทรไปถามพี่ตุลกลายงานลายงานพี่ตุลก็บอกเดี๋ยวไปเจอกันวันที่สี่แล้วกันเลี้ยค่ะแล้วก็ยังสงสัยอีกสงสัยมาเรื่อยเพราะมันไม่เสื่อมเพราะมันแบบมันเหมือนเห็นกลมันไม่เหมือนมาก่อนแล้วอะไรเงคะ แล้วพี่ตุนก็บอกยังไม่พูดอะไรเยพอไปเจอกันก็ยังไม่พูดก็บอกก็ยังไม่พูดอะไรถึงวันนี้แล้วก็ส่งอีเมลไปเสร็จ ก, ก็ยังไม่ได้พูดมาเมื่อคืนโทรบ อ, อกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวแล้วกันเลยนะะก็เลยบอกยังคิดว่าในสิ่งที่หนูไปเห็นนั่นคือแบบมันใช่หรือเปล่าอะไร่างเงี้ยก็ไปถามพี่ตุนดูหลวงพ่อเป็นตระนะเที่ยงพยากรอะไรไม่ดีหรอกตอนหนูก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่มันไม่เหมือนเดิมเลยคะไม่เหมือนเดิมนะมันกลวงกลวงไปแล้วค่ะ ไปให้พี่ตุนเข้าไปยักษ์กรให้ก็รู้สึกอ่ะเออแตกต่างไปแบบมากแล้วก็แบบบางทีมันไม่รู้ทํางานมันก็แบบดูไปเรื่อยๆแต่แบบดูไปเรื่อยๆค<า>่ะไม่มีอะไรหรอกแม้ทุกอย่างมันว่างเปล่าไปหมดหดีใช้ได้ดีดูไปอีกกิเลสยังไม่หมดก็ดูไปใช่ค่ะมันก็แบบบางทีมันเหมือนพอมันกลวงแล้ว่าก็ไม่เห็นแบบเหมือนตัวบอกกิเลส ม, มันก็เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ดูไปงั้นแหละใช้ได้ละ เอาตัวรอดอใครจะคุยต่อหมดเวลายังเดี๋ยวสองคนนี้ตกอยู่ส่งมานี้ก่อนมาดีแล้วหมอพีภาวนาใช้ได้แล้วก็รูกสึกให้หลวงพ่อกราบเรียนให้หลวงพ่ออ่านดีกว่าคะ่ะไม่รู้จะส่งว่าไงรู้สึกเหมือนกลางกลาวไม่ทราบจะส่งอะไระคะ่ะ เราตื่นเต้นล้วก็ประคองไว้หน่อยนะที่ <Okay. S 1> ภาวนาอยู่ดีแล้ว <Okay. S 1> รู้สึกเรื่อยๆไปคุณต้อง okay. รู้สึกเหมือนเป็นไม้จิ้มฟันที่ลอยออกมาจากปักควายคือตอนนี้มันไม่ค่อยติดอะไรแบบแต่ก่อนแล้วค่ะหนูงพ่อไม่เคยเห็นควายใช้ไม้จิ้มฟันเลย <laughs> <laughs> นึกภาพไม่ออกปากควายเป็นยังไ <laughs> งนึกไม่ออกเลย <laughs> ต้องเดี๋ยวไปประคองมัน หลุดมาเกือบหมดแล้วนะให้ได้หมอพีดีแล้วอ่าคนนี้เสื้อแดงนี่ฝึกไป่นะาอดทนนะคนทำได้ก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อับนมิตการ<ล>หลวงพ่อครับก็เ <c oughs> พิ่งเริ่มศึกษาแล้วฝึกไม่นานนะ <c oughs> ก็เลยอยากทราบว่าที่ผ่านมาปฏิบัติเป็นไงบ้างครับดีแล้วละ่ะคอยดูไปเวลากิเลสหลันะรีบรู้ไวๆ น, นะแล้วก็ถือศีลห้าไว้แล้วก็กิเลสมาแล้วเราคอยรู้ไปเรื่อยๆ คือตอนฝึกใหม่ๆนี่ก็คือจะพยายามพยายามคิดหาวิธีว่าปฏิบัติยังไงถึงจะถูกอะไรเงี้ยคือยิ่งพยายามหาก็เลยยิ่งยิ่งวนไปอะครับก็เลยช่วงหลังก็เลยรู้สึกเบื่อที่จะหาแล้วเพราะว่าพยายามค้นมานานอะไรเงี้ยก็เลยโอเคงั้นกลายเป็นไงก็รู้ไปใจเป็นไงก็รู้ไปนั่นแหละดีแล้วภาวนาใช้ได้แล้วครับดีแล้วก็อย่างตอนนั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับก็ ศึกษามาว่าถ้าเกิดสมาธิจะเกิดเพราะว่าใจสบายใช่ไหมครับก็พอเวลานั่งสมาธิก็จะพยายามรู้ลมหายใจสบายๆไปเรื่อยครับแล้วพอมันรู้ไปเรื่อยๆมันสบายจนเคลิ้มหลับไปเลยทุกที่ดลยครับหลวงพ่อทีหลังก็ไปเดินก็คือไม่ไมองหมาะจะนั่งใช่ไหมครับือก็คือไม่ควรจะนั่งควรจะมาแต่ตอนใกล้เวลานอนเนี่ยไปนนั่งไม่ค่อยได้ผล่ะมันง่วงแล้วมันจะหลับครับดีแล้วใ่้ยฝึกไปใช้ได้แล้วครับผม แล้วก็อยากจะขอเล่นอนุญาตหลวงพ่ออีกเรื่องนึ ง, นงครับคือตอนนี้ผมทําเว็บไซต์ธรรมมาครับก็อยากจะขอญาตหลวงพ่อเอาซีดีไปเผยแพร่จะได้ไหมครับได้ได้ไม่หวงหรอกรมีพระมาะเล่าให้ฟังนะบอกตามต่างจังหวัดนะบอกมีหลายที่คนอยากฟังซีดีหลวงพ่อก็ไปที่ร้านขายเทปขายเพลงอะไรพวกนี้ให้เข้าดาวน์โหลดซีดีนะ แล้วมันก็ไลยออกมาให้ขายแผ่นละ30สิบาทก็ยังดีไม่ขายแม้แต่ขายหน้านะเพลงของแกรมมี่มันแผ่นเท่าไหร่ของเราได้แผ่นละ30สิบาทเองฟังไปนะเอาไปทำเถอะแล้วเว็บไซต์ชื่ออะไรล่ะฟังทม .com ครับเอเออดีฟังทำไว วิธีฟังธรรมที่ดีต้องฟังด้วยใจอย่าฟังด้วยหูนะอย่าฟังด้วยสมองให้ฟังด้วยใจเปิดใจกว้างๆทํำใจสบายๆรับรู้ธรรมะไปรธรรมะใดๆมันเข้าถึงจิตถึงใจเรา ใ, ใจมันจะลิ e r t ขึ้นมายจะไปรู้ซึ้งกันนั้นเองถ้าธรรมะใดยังไม่ถึงจิตถึงใจก็ฟังเล่ น, ลนๆไปงั้นแหะถึงวันหนึ่งในคราวจําเป็นหรือเราภาวนาไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ย เราเกิดติดขัดอะไรขึ้นมานะธรรมะนี้จะขึ้นมาเองนี่วิธีฟังธรรมแบบค้ำพบคําชาต์โดยความรู้เนี่ยถ้าฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดได้แต่ความฟุ้งซ่านไปอย่าตอนนี้หนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมครับเวลาฟังธรรมนะก็รู้กายรู้ใจไปฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่เป็นไรหมอพีหลงไปรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรรู้สึกไปเรื่อยอแต่ได้อีกคนนึง ของหนูก็คือปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้หวังผลอะไรแล้วก็ที่โมโหเราขี่โมโ ห, ร ห, มโหรเราก็รู้ทันนะความโกรธเกิดแวบเราก็รู้สึกเดี๋ยวมันก็อีกแวบหนึ่งเราก็รู้สึกใช่ค่ ะ, ะแล้วมันบางครั้งมันจะเหมือนกับพอรู้สึกขึ้นมาก็จะตลกตัวเองค่ะเหมือนคนบ้าเออนั่นแหละดูไปดูใหญ่บ้านะดูอย่างนี้เรื่อยๆเราจะเห็นจิตมีสองอย่างจิตที่โมโหกับจิตที่ไม่โมโห จิต ท, ที่โมโหเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โมโหเกิดแล้วก็ดับเวลาที่เราหัดภาวนาในขณะที่เรามุ่งไปสู่ความเป็นพระโสดาบันเนี้ยสิ่งที่เราต้องดูนะก็คือกายกับใจไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจิตมันโกรธขึ้นมาดูซิมันโกรธเองเราไม่ได้เจตนาจะโกรธนะอยู่ๆมันโกรธเองหรือจิตมันจะหายโกรธมันก็หายเองสั่งให้หายก็ไม่ได้เนี่ดูไปเราจะเห็นมันทํางานเองดูอย่างนี้เรื่อยๆ คือเมื่อก่อนนะคะก่อนที่หนูจะปฏิบัติเนี่ยหนูจะเป็นคนที่ลูกน้องจะกลัวมากอะคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ดูลูกน้องลูกน้องก็ไม่กลัวแล้วอะคะ่ะต้องให้มันกลัวนะปกครองคนต้องใช้ทั้งพระเดชทั้งพระคุณพระคุณอย่างเดียวปกครองไม่ได้พระคุณเนี่ยปกครองคนที่มีคุณธรรมได้อพอดีทํางานอยู่ต่างประเทศอะคะ่ะแล้วหนูก็นานๆกลับมาทีนะคะไม่ทราบว่า ต้องควรทำยังไงบ้างะคะรู้กายรู้ใจของเราไปตามที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยๆมีเท่านี้แหละถ้ามันฟุ้งซ่านนะก็ไหวพระสวดมนต์หรือทำกิจกรรมอะไรซึ่งสบายใจกิจกรรมที่เป็นกุศล น, นะไม่ใช่ไปตกปลาแล้วสบายใจนี้ไม่เอาแล้วอย่างที่หนูเป็นอยู่คือหนูมีความสุขเหมือนกับทุกวันเหมือนกับตลอดวันแต่ก็คือไม่ตลอดวันนะคะอย่างนี้ถือว่าผิดไม่ผิด่ผิดนะ ความสุขก็ไม่เที่ยงดูไปในวันหนึ่งวันหนึ่งนะดีกรีของความสุขไม่คงที่ดูไปดีใช้ได้แต่เ<ด>ชิญท<ด>ันธาต